วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมผู้ปรารถนารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถแห่งวิมุตติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสะสมบุญบารมีต่างๆเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสนับสนุนส่งเสริมให้จิตใจ ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสของวิมุติรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสร้เป็นพ ร, พระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ด้วยพระองค์เองก็เป็นเพราะว่าพระองค์ได้สะสมบา ร, รมีต่างๆไวมาอย่างมากมาย จนถึงเวลาที่บารมีที่ได้สะสมมามีจำนวนมีกำลังพอที่จะผลักดันให้จิตใจของพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอริยสัจสีได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจาก ความทุกข์แห่งการเวียนว่ า, ายตายเกิดได้ด้วยพระองค์เองอาศัยอำนาจของบา ร, รมีที่พระองค์ได้สะสมมาเพราะว่าในยุคที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญความเพียรเพื่อให้ได้วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีผู้รู้วิธีของการ ดับทุกอย่างถาวรว่าดับได้อย่างไรจึงเป็นสิ่งที่พระองค์จึงต้องขวนขวายค้นควา้าหาด้วยพระองค์เองตามกำลังของบารมีที่ได้สะสมมาจึงทำให้พระองค์สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริง ของชีวิตที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองนอกจากพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้นี้ได้บาเพ็ญบารมีมาอย่างอย่างต่อเนื่องทุกภพทุกชาติเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะใช้การเกิดของภพชาติแต่ละภพนั้น ให้กับการสร้างบารมีต่างๆเช่นพระเวชสันดรก็ใช้ภพของพระเวชสันดรในการสร้างทานบารมีพระอะไรหลายรูปด้วยกันก็ใช้ภพชาติของท่านให้สร้างบารมีต่างๆขึ้นมาพระมาหาชน ก, ก็สร้างวิริยะบารมีขันติบารมี ซึ่งบารมีเหล่านี้เมื่อได้มีการสะสมสร้างกันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับการสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็สร้างบ้านสร้างเรือนไม่ใช่สร้างในวันเดียวจะเสร็จเราก็ใช้เวลาก่อสร้างไปเรื่อยๆตั้งแต่รากฐานของอตัวอาคารขึ้นมาสร้างรากฐานของตัวราคาให้แข็งแรงเพื่อที่จะรับน้ําหนักของตัวอาคารได้ แล้วก็ถึงล ง, ลงเสาลงฐานเมื่อมีเสาแล้วก็เริ่มใส่โครงสร้างอื่นๆเข้าไปเทละเล็กเทยน้อยแล้วในที่สุดก็กลายเป็นบ้านสำเร็จขึ้นมาเป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้ฉันใดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง ที่อาศัยบารมีต่างๆเป็นผู้ที่มาเป็นส่วนประกอบทำให้บ้านคือวิมุตติหนุนทนนี้สำเร็จขึ้นมาเป็นที่ดลบภยัยหลบความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจได้ก็ต้องใช้เวลาสร้างกันเพราะว่าไม่มีพระพุทธศาสนา มาเป็นผู้คอยบอกคอยสอนให้สร้างได้อย่างรวดเร็วถ้าพบใดชาติใดได้มาเกิดมาแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบด น, นชาตินั้นก็จะเป็นพบที่สะดวกรวดเร็วเพราะมีผู้ชํานาญในการสร้างบ้านจะเป็นผู้บอกนาวทางที่ สั้นที่สุดที่เร็วที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงสร้างบ้านของพระองค์ได้เสร็จแล้วสร้างวิมุติสร้างนิพพานขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเอาวิธีที่ง่ายที่สุดที่ตรงที่สุดที่เร็วที่สุดเอามาสอนเช่นในตอนที่ทรงแสดงสอนในในพระสูตร ชื่อสติปฐานสูตรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติตามแนวทางคำสอนในสติปฐานสูตรได้<ม>ก็จะสามารถสร้างบ้านวิมุติให้ได้สำเร็จ<ม>ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนถ้าไม่เจดเดือนก็เจปี<ม>เป็นอย่างมากบ้านคือวิมุตินิพพาน หพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะสําเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะมีผู้เคยสร้างมาแล้วมาบอกวิธีสร้างให้แต่ถ้าไปสร้างบ้านในยุคที่ไม่มีใครสร้างบ้านมาก่อนต้องเป็นคนค้นคิดวิธีการสร้างต่างๆทั้งแบบทั้งอะไรต่างๆก็จะต้องใช้เวลามากต้องมีการลองผิดลองถูกกัน ปาจะสร้างบ้านขึ้นมาสาเร็จได้ก็ใช้เวลาเป็นเวลาอันยาวนา น, นนี่ก็คือเรื่องของบารมีที่พระพุทธเจ้าต้องอาศัยในการสร้างพระนิพพานขึ้นมาในใจของพระองค์ในการทำให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะในยุคในสมัยที่พระองค์ทรงบาเพ็ญเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้น ยังไม่มีใครที่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างอ ย, างยั่งยืนอย่างถาวรรู้แต่วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์แบบชั่วคราวกันก็คือวิธีเข้าสมาธิเข้าฌานกันเวลาเข้าสมาธิเข้าฌานจิตสงบความทุกข์ต่างๆที่เคยปรากฏก็จะหายไปชั่วคราว แต่พอออกจากสภาธ่มาเอาเริ่มมาสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆทางตางหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ก็ปรากฏกลับขึ้นมาใหม่อีกไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่ได้กำจัดในขณะที่อยู่ในสมาธินั้น ไม่ให้พื้นกลับคืนมาอีกเวลาออกจากสมาธิมาแต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าทำอย่างไรเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุของความทุกข์ใจนั้นเกิดจากอะไรนั่นเองไม่มีปัญญาพอที่จะมองทะลุเข้าไปถึงพระอริยสัจสี่ได้ยกเว้นมีพระโพ ธ, ธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของพวกเราเนยเจ้าชายสิทธัตถะหรือสั ม, มณโคดม ที่ได้สละราชสมบัติเพราะอำนาจของทางบา ร, รมีที่ได้เคยสะสมมาในอดีตยึงทำให้พระองค์ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ยึดติดกับความสุขจากการเสพลาบยศสารสรริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าพะต่างๆพอถึงเวลาพร้อมที่จะสละราชสมบัติ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายในคืนที่พระองค์ได้ส่งทราบข่าวว่าพระมเหสีของพระองค์ได้คลอดพระราชโอรสขึ้นมาพอได้ยินข่าวก็ส ม, มุดทานว่าลาหุนแปลว่าบ่วงราหุนได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วมหาเล็กที่มาฟังมามากราบทูล ก็ก็คิดว่าพระองค์ทรงตั die ้งชื่อของพระราชารดว่าราหุลแต่ความหมายของพระองค์ก็คือบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะผูกรัดจิตใจของพระองค์ให้ติดอยู่กับราบยศสารเสริญสูงไปเรื่อยๆเมื่อพระองค์รู้ว่าถ้าไม่ถ้าไม่รีบหนีออกจากวังไปในคืนนั้นก็จะต้องถูกบ่วงนี้รัด ใจิตใจไว้ให้ติดอยู่ในวางไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนพระองค์จึงพร้อมที่สละราชสมบัติได้อย่าง ท, างทันทีไม่มีความเสียดายแม้แต่นิดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆและอนาคตที่มีโหรศาสตร์ได้ทำนายไว้ว่าถ้าอยู่คลองราชก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิอันยิ่งใหญ่พระองค์ไม่มีความยึดติดในลาบยศสรเสริญสุขเลย พาได้บำเพ็ญทานบา ร, รมีมาอย่างโชคโชนในครั้งที่เป็นพระเวชสันดรนทานบา ร, รมีนี่แหละเป็นผู้ผลักดันให้พระองค์สามารถสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายพอถึงเวลาที่จะต้องสละก็สละได้ทันทีสเสด็จออกพระราชวังไปในยามวิกาลไม่ไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวมีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดนเท่านั้น แล้วด้วยอำนาจของเนคข ม, มารบารเมือคือการฝึกอยู่แบบปราศจากความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่แบบระงับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคืออยู่แบบนักบวชจึงทำให้พระองค์นี้ไปบวชได้อย่างง่ายดายสาราลาจะสมบัติแล้วจากเพศคารวาดแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวช ไปเจริญเนคขมมะบารมีต่อไปถืศีลแปดเพียอย่างน้อยเป็นต้องถือศีลแปดขึ้นไปคือต้องละเว้นจากการเสพกามัสุขความสุขที่ที่เสพทางตาหูจมูกนิ้นกายจะ ก, กับรูปเสียงกลิ่นลดผดทภาพาะษต่างๆนี้ก็จะตัดไปหมดไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยาก ต่างๆโดยที่ไม่มีขอ บ, บีเคดรับประทานเมื่ออยากจะรับประทานก็รับประทาน<ม>ก็จะสละความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากแล้วก็กําจัดเวลาของการรับประทานอาหารให้มีไว้สําหรับไว้เลี้ยงดูร่างกายป้องกันให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว เพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการบำเพ็ญโอเบคาบารามีคือการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางปล่อยวางํำเป็นที่จะต้องมีเวลาถ้า เ, าเวลาไปเสพกามไปง่วมหลับนอนกันไปกินไปดื่มกันไปดูหนังฟังเพลงไปโมหอรสม บ, บันเทิงต่างๆ ไปเสริมสวยความงานของห่างกายด้วยเสื้อผ้าผ่อนที่วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางแต่งหน้าทาปาใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆกิจกรรมเหล่า น, นี้ก็จะมาขัดกับกิจกรรมของการสร้างบารมีคื อ, อเบคขาบารมีแม้กระทั่งการนอนก็ต้องบังคับให้นอนพอประมาณไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปก็ต้อง น, นอนบนพื้นที่ไม่ที่ไม่สุขไม่สบายเนพื้นที่นอนแล้วรู้สึกไม่สบายแต่ถ้าเวลาร่างกายง่วงมากๆก็สามารถหลับได้คื อ, อนอนบนพื้นแข็งๆไม่ใช่นอนบนฟูกนะนะที่มีความนุ่มมีความสบายถ้านอนบนฟูกนะนะ พอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาแทนที่จะลุกขึ้นมาไปทำบําเพ็ญการบําเพ็ญอุเบกขาบารามีก็กลับขอนอนต่อเพราะมันแสนจะสบายนะวิธีป้องกันไม่ให้นอนมากเกินไปก็ต้องไม่ให้นอนบนพื้นนอนบนที่นอนที่มีฟูกหนาๆที่มันสุกสบายอย่างพวกเตียงสํารานต่างๆเป็นต้น ให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือก็พ อ, พอถ้านอนแบบนี้เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่าพื้นมันแข็งนอนไม่สบายนี่คือนี่คือธรรมะบารมีที่พระเจ้าจากการที่อยู่แบบเป็นทระราชโอรสเป็นพระกษัตริย์เนี่ย มีประสาทสามฤดูเนี่ยกลับมาอยู่แบบนักบวชนี่เป็นเหมือนฟ้ากับดินเหมือนกับตกมาจากสวรรค์ลงมาสู่ดินก็อยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆความสุขในระดับต่างๆของพระราชาลดก็ต้องมาอยู่แบบนักบวชอยู่แบบนอนกับดินกินกับทรายอาหารก็ไม่ใช่เป็นอาหารหรูหรามี อาหารแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่ศรัทธาบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินไปเพื่ออยู่ไปวันวันหนึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตัดไปหมดไม่มีมหมอรศบันเทิงให้สัมผัสรับรู้ให้ดูให้ฟัง mm hmm. แต่มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการบําเพ็ญอุบเบกขาบาลมีหรือผู้ที่ต้องการที่จะทําจิตใจให้สงบ ให้เป็นสมาธิขึ้นมาด้วยอาศัยอำนาจของบารมีที่เคยได้ทำเป็นบเพ็ญมาในอดีตนั่นเองยิ่งทำให้การบำเพ็ญบารมีอุเบกขาบารมีนี้ก็เป็นไปได้อย่างง่ายแสนง่ายเพราะว่าในอดี ต, ตชาติก็เคยบำเพ็ญมาก่อนแล้วเพงแต่ให้อยู่ตามํำพังไม่มีสิ่งต่างๆรบกวนใจรอบข้าง จิตก็สามารถรวมเข้าสู่สมาธิได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเช่นตอนที่เป็นตอนที่เป็นเด็กเคยประทับอยู่ใต้โคนไม้ตามลำพังวันนั้นพวกบรรดาบริษัทบริวารต่างๆต้องไปช่วยงานทางทางอื่นไม่ปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลาพังอยู่ใต้โคนต้นไม้ พอไม่มีใครมาห้อมร้อมไม่มีใครมาดึงจิตใจให้ออกมาทางตาหูจมูกนิ้วกายจิตใจก็เข้าข้างในทันทีเพราะเคยฝึกจิตมาก่อนโดยที่ไม่ต้องกาหนดไม่ต้องบังคับแต่อย่างใดพออยู่ในที่ที่ที่สงบสงัดวิเวกพอกายวิเวกเท่านั้นแหละจิตก็จะวิเวกขึ้นมาทันทีจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิ โดยที่ไม่ได้ต้องบังคับแต่อย่างใดนี่อาศัยบุญเก่าบารมีเก่าที่เคยได้บำเพญ็ญอุเบกขาบารมีมาแล้วในอดีตพอได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เพื่อต่อการให้จิตรวมเข้าสู่อุเบกขาจิตมันก็จะเข้าไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบังคับบารมีต่างๆเหล่านี้มันจึงทำให้ คนอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากระดับมหาจากระดับกษัตริย์มหาราชามาอยู่แบบขอทานได้มีมีกษัตริย์มีมหาราชานาุุปัจจุบันไหมที่สามารถที่จะสละราชสมบัติแล้วก็ไปอยู่แบบขอทาน ไม่มีเลยไม่มีใครไม่ด้ไม่ปรากฏว่ามีไม่มีปรากฏมีข่าวข่าวเลยว่ามีกษัตริย์ธาราชสมบัติเพื่อไปบวชอันนี้ก็เพราะว่ามันจะต้องมีบาลมีเก่ามาเป็นเครื่องสนับสนุนถ้าไม่มีบาิมีเก่านี้ทำไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชามันจะครอบงำจิตใจ คอยดึงจิตใจให้ติดอยู่กับการหาความสุขจากโลกธรรมเกิด ค, ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัะชนิดต่างๆนั่นเองแต่ถ้าผู้ใดได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเจ้าชายสิทธัตถะได้บำเพ็ญแล้วพอได้มาสัมผัสกับรถแห่งธรรมแม้แต่เป็นเพียงชชือกขนาหนึ่งจากการฟังเทศฟังธรรมก็ดี จากการได้ยินได้ฟังหรือจากการได้อ่านหนังสือได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ดีเพียงได้ได้ยินได้สัมผัสเพียงแค่คำสองคำนี้บา ร, รมีเก่าที่เคยมีอยู่นี่มันก็เหมือนจะปลกุกถูกปลกุปลกเตือขนขึ้นมาทันทีทำให้จิตนี้พร้อมที่จะดีด ต, ตัวออกจากกองทุกข์ของราภยสศสารสนุกได้ทันทีนี่ก็ เป็นเรื่องของบารมีที่ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสามารถสละราชสมบัติออกบวชได้แล้วพอออกบวชได้ก็อยู่แบบนักบวชได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่เคยคิดอยากจะศึกแต่อย่างใดเพราะมีความเพิดเพลินมีความสุขกับการบำเพ็ญนืนคัมภีบารมีที่ทำให้จิตใจสงบเย็นสบายมีความสุขจากการบาเพ็ญสมาธิ เข้าฌานในระดับต่างๆได้ระงับดับความทุกข์ต่างๆ <c oughs> ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิได้ <c oughs> แต่ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ภายในใจให้หมดสิ้นไปตลอดเวลาได้ทำได้แต่ช่วงเฉพาะตอนที่เข้าสมาธิเข้าฌานเท่านั้นเอง เพราะว่ายังไม่มีปัญญาบา ร, รมีออกจากสมาธิมาจิตก็จะถูกกำนังของกิเลสโมหะอวิชชาหลอกให้ไปรักไปชอบไปยินดีกับสิ่งต่างๆพอเกิดความรักความชอบก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดตัณหาความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที เกิดความกระลนกวนกระวายกระสับกระส่ายเวลาอยากจะได้อะไรเวลาได้มาแล้วก็ต้องเกิดความความวิตกกังวลที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาและเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอันนี้ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากการไม่เห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากต่างๆ และไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังเป็นของชั่วข่าวเป็นอัตตาไม่ได้เป็นสมบัติของใครไม่มีใครสามารถครอบครองสิ่งใดแล้วยึดถือว่าเป็นเป็นของเราได้ไปตลอดเป็นสมบัติผัดกันชมเป็นสมบัติชั่วข่าวพอถึงเวลาต้องสูญเสียสมบัติที่ได้ ที่ได้มาสิ่งที่ได้มาก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่เพราะว่าไม่เห็นปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเห็นอริยสัจ ส, สีไม่มีปัญญาที่จะเห็นใจรักได้แต่สำหรับผู้ที่บำเพ็ญปัญญาบารมีมาอย่างโชคโชนอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี้สามารถใช้ปัญญาที่ได้ฝึกฝึกฝนอบรมมาวิเคราะห์ ด้วยเหตุด้วยผลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ว่าเวลาจิตสงบทุกข์หายไปเวลาจิตไม่สงบทุกข์กลับมาขณะที่จิตสงบอะไรหายไปด้วยความคิดต่างๆก็หายไปความอยากต่างๆก็หายไปเวลาจิตไม่สงบความทุกข์เกิดขึ้นมามีความคิดต่างๆเกิดขึ้นมามีความอยากต่างๆเกิดขึ้นมา ก็เลยสามารถถล่ได้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาที่คิดไปในทางความอยากแล้วใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นในอริยสัจสี่ท่านก็ทรงสแสดงว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นตอนไหนทุกข์นี้คือทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นตอนที่ร่างกายเกิดมานี่เอง พอเกิดมาพอมีร่างกายใจก็ต้องทุกกับร่างกาย ท, าทันทีต้องเลี้ยงดูร่างกายต้องปกป้องรักษาร่างกายอันนี้ก็สร้างความทุกข์ให้กับใจเกิดแก่เจ็บตายคือทุกขตัวเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นตัวที่มาทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกขตัวที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากของใจ ที่อยากจะรักษาร่างกายให้อยู่ไปนานๆไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่นะค่ะที่ทําให้ใจทุกขึ้นมาไม่อยากให้แก่พอเจอกับความแก่ก็ทุกขึ้นมาไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกขึ้นมาพอร่างกายจะตายก็ทุกขึ้นมาทัทนทะีจงสแสดงอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกขสัจว่า ทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดภาคจากสิ่งที่รักที่ชอบการที่จะต้องเผชิญต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบต่างๆสรุปลงก็คือทุกข์เพราะมีอุปทานในขันห้านั่นเองขันห้าก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณที่เป็นตายรักที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อยากจะให้ขันห้างนี้เป็นนิจจังสุขขงังอนัตตา ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันขัดกับหลักความเป็นจริงของตาของขันห้าของตายรักขันห้าอยู่ภายใต้ก่ของตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวเราตัวเขาในขันห้าไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีตัวตนในเวทนาไม่มีตัวตนในสัญญาไม่มีตัวตนในสังขารไม่มีตัวตนในวิญญาณเป็นสภาวะธรรม ที่เกิดที่มีที่มากับท่ารู้คือจิตใจท่ารู้สิ่งที่มากับท่ารู้คือจิตใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนร่างกายก็มาจากธาตุสี่รูปปัะฉันคือร่างกายก็ทำมาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายก็ไม่มีตัวตนดินน้ำลมไฟมันไม่ตัวมันไม่เป็นตัวตนเ แล้วเวลามันมารวมกันแล้วมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เป็นตัวตัวที่มีอาการสาสิบสองเท่านั้นเองมีร่างกายที่มีอาการสามสิบสองอาการสามสิบสองก็ไม่มีตัวตนในตัวของมันเองผมก็ไม่มีตัวตนขนก็ไม่มีตัวตนแมบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีตัวตนม้ามปอดหัวใจตับพังผืดลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า เยื่ในสมองศีรษะมันก็ไม่มีตัวตนมันเป็นอาการที่ทํามาจากธาตุสีดินน้ํานมไฟน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเสเลดน้ําดีน้ําเหงือน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ําลูกน้ำไข่ข้อน้ํามูดมันก็ไม่มีตัวตนมันเป็นธาตุทามาจากธาตุสีแล้วตัวตนมันมาจากไหน ตัวตนมันก็มาจากโมหะอวิชชาของใจของธาตุรู้ที่มาครอบคองร่างกายแล้วก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวตัวตัวธาตุรู้ตัวจิตหลงไปคิดว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นตัวตนและผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้คิดอีกทีอันนี้ถ้าไม่มีปัญญาบาลมีระดับ พระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วนี้จะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแต่หลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีตัวตนในขันห้าการไปยึดไปติดในขันห้าว่ามันตัวเราของเราจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเมื่อมีอะไรเป็นของเราแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆเป็นของเราเปนานๆ ไม่อยากให้มันจากเราไปพอเราได้ร่างกายอันนี้มาแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายรวมไปถึงร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปร่างกายของคนที่เรารักเราชอบก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆส่วนร่างกายที่เราไม่รักไม่ชอบก็ ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ไม่อยากจะเจอเพราะเข้าใกล้ทีไรแล้วมักจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใจเรื่อยๆแต่ก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่จะต้องศึกษาและเข้าใจและต้องสอนใจให้รู้จักปล่อยวางวางเฉยละอุปทานด้วยการปล่อยวางอย่าไปอยากให้ขันท่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันร่างกายมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ปล่อยให้มันเกิดแก่เจ็บตายไปตามเรื่องของมันเวทนาก็มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากให้มันปีแต่สุ ข, ขเวทนาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เวลามีทุกข์เทนาไปอยากให้มันหายก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์ก็อย่าไปอยาก อยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆขึ้นมาหลอกใจอยู่เรื่อยๆปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างวันนี้จิตมีอารมณ์สดชื่นเบิกบานพรุ่งนี้จิตมีอาการเศร้าหมอง มีอาการซึมเศร้าอาการต่างๆอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการทำงานของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับขันห้ากับกับอยายตนะทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะและธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในใจอันนี้ก็ลรงพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายลักเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อย่าไปอยากให้มันผ่องใสเบิกบานไปตลอดเวลาเพราะว่ามันมันเป็นไตไม่ได้มันอยู่ภายใต้กฎของไตยล้วดาบใดที่มันยังมาคลองขันอยู่ดาบใดที่มันยังต้องเกี่ยวข้องกับขันอยู่เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเกี่ยวข้องกับเวทนาสัญยาสังขารมรญยาอยู่ธรรมอารมณ์อยู่เิตก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงเบิกบานผ่องใส เศร้ามองซึมเศร้ามีตกหวาดกลัวอะไรต่างๆตามมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงวิเคราะห์ทรงเห็นว่าทำทัท้งปวงเป็นดนัส ต, ตาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนบินฟ้าอากาศเหมือนกับ yes. อากาศที่แปรปรวนอย่างช่วงนี้เราก็เข้าสู่ ช่วงฤดูหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นมาไม่มีใครไปเปลี่ยนไปสั่งมันได้ไม่ให้มันหนาวไม่ให้มันเย็นเวลามันจะหนาวเย็นมันก็มีเหตุมีปัจจัยให้มันหนาวเย็นมันก็จะหนาวเย็นเกิดขึ้นมาเวลาเหตุปัจจัยที่ทําให้ความหนาวเย็นมันหมดไปความหนาวเย็นก็จะหายไปความร้อนก็จะกลับเข้ามาแทนที่ฉันใดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมอารมณ์ต่างๆเวทนาต่างๆมันก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีเหมือนเดิมไม่สามารถทำให้มันนิ่งเหมือนเดิมได้ยกเว้นขณนะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นที่จะสามารถทำให้จิตนี้สงบนิ่งเหมือนเดิมได้แต่ก็นิ่งสงบได้เพียงชั่วคราว ออกําลังของสมาธิของสติหมดกําลังลงกําลังของของกิเลตันหาโมหะอาวิชชาก็จะผลักให้จิตออกมาเข้าหาอารมณ์ต่างๆต่อไปใหม่แต่ถ้าพอมีปัญญาสามารถกำจัดอวิชชาโมหะกิเลตันหาให้หมดจากใจได้ทีนี้ใจก็จะจ ะ, จะนิ่งจะเฉยอย่าง ทาบอนได้เพราะตัวที่ทำให้ใจไม่นิ่งไม่เฉยก็คือตัวกิเลสตัณหาโมหะวิชาเวลาไปสัมผัสกับสิ่ ง, งที่สิ่งที่เป็นสุขก็อยากจะได้เวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไป<ม>ตัวความอยากนี่แหละเป็นที่มาตัวที่มาสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาทำให้จิตใจไม่นิ่งไม่สงบไม่ไม่ไม่เฉยต้องดิน่นนต่อสู้ไปเรื่อยๆแต่พอ ได้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วรู้แล้วสาเหตุที่ทำให้จิตต้องดิ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตไปหลงรักชอบกับสิ่งที่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์นั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในในโลกของขานห้านี้ถ้าเกิดมามีขานห้าแล้วมันจะต้องมีมีสุขมีทุกข์สลับกันไปไม่เข้าใจหลักธรรมชาติอันนี้คือว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวน สุขก็ต้องอยู่กับมันไปทุกข์ก็ต้องอยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันไปอย่าไปไขว้คว้าหาความสุขอย่าไปพยายามถักดันความทุกข์มันก็เหมือนกับพยายามที่จะไปถักดันดินฟ้าอากาศเช่นอากาศหนาวตอนนี้ก็อยากจะให้มันหนาวไปเรื่อยๆเย็นไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยววันหนึ่งไม่กี่วันข้างหน้าอากาศหนาวมันก็จะหายไปจะไปดึงมันกลับมาก็ไม่ได้ อากาศร้อนเข้ามาแทนที่จะไล่ให้อากาศร้อนมันหายไปก็ไล่มันไม่ได้ยันได้อาการต่างๆที่จิตต้องสัมผัสรับรู้คือสุขทุกข์ต่างๆที่อยู่ในในโลกของโล ก, กธรรมคือลาภยศสารเสริญและความสุขจากการสัมผัสรูปเสียงจิตลดโผฏฐพละชนิดต่างๆมันเป็นตายรักมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยง มันเปลี่ยนสลับกันไปสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเจริญบ้างไม่เจริญเจริญบ้างเสื่อมบ้างอยู่เฉยๆบ้างคือไม่เจริญไม่เสื่อมบ้างแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแต่ในที่สุดมันก็ต้องพบกับความเสื่อมเวลาที่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการที่จะมาเสพสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันยุติลงมันสิ้นสุดลง พอร่างกายตายไปนะสิ่งต่างๆที่หามาได้ด้วยร่างกายก็จะหมดไปราบยศสารเสริญสุขก็หมดไปสิ่งที่จะติดตัวไปกับใจก็มีแค่บุญแค่บาปนะบุญก็บารมีต่างๆที่ได้สะสมไว้นะถ้าบาปก็บาปก็คือการกระทําความชั่วต่างๆถ้าเป็นบาปก็เท่ากับสะสมเอากองทุกข์ไปนะ ถ้าเป็นบุญเป็นบารมีก็สะสมองก์กงสุดไปแล้วก็จะไปเกิดใหม่แล้วก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วไปทําบาปทํากรรมใหม่สลับกันไปเ ว, ว, วียนว่ายตายเกิดวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีบารมีที่สมบูรณ์อย่างเจ้าชายเสด็จทธธัตตะพอมีบารมีที่สมบูรณ์ก็พร้อมที่จะสอนใจ ให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายนี้มันมีสาเหตุสาเหตุก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ความอยากจะอยู่ไปนานๆความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีความอยากจะเสพ ค, ความสุขจากรูปประจานหรือรูปประจานก็ดีความอยากเหล่า น, นี้ล้วนเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ น่าจะเป็นตัวที่จะดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะเสพการ<น>เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะมาเกิดในกามมาพบพบของมนุษย์ของเทวดาพบของสัตว์ในราชาพบของเปรตของสุรกายของสัตว์นรกนี้อยู่ในกามมาพบทั้งนั้นแบ่งไว้เป็นสองส่วนส่วนที่เป็นสุข ก, กติกับทุกขกติกับทุกขกติก็คือพวกที่ เสพกามด้วยการทำบาปก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นสุรกายไปเป็นสัตว์นรกถ้าเสพการด้วยการทำบุญไม่ทำบาปก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆส่วนพวกที่มาเสพรูปประชานก็จะไปอยู่ในพรมโลกอยู่ในรูปภพภพของรูปภพถ้าเสพรูประชานก็จะไปเกิดอยู่ในอารูปภพ เป็นภพของอรูปประพง์แต่ก็ต้องติดอยู่ในภพเหล่านั้นพอบุญเนื้อเหตุปัจจัยที่ส่งให้ไปเกิดในภพเหล่านั้นเสื่อมลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เกิดมากลับมาบําเพ็ญสิ่งที่ใคยบําเพ็ญใหม่ใครทําบาปก็จะกลับมาทําบาปใหม่ใครสร้างบารมีทําบุญบารมีก็ก็จะมาทําใหม่ สางทานบาลามเคยทําทานมากลับมาเกิดก็จะมาทําทานใหม่เคยรักษาศีลก็กลับมารักษาศีลใหม่เคยภาวนาอ่าเคยเคยถือเนกขมมเคยบวชเป็นนักบวชเคยถือศีลแปดนะและเว้นจากการเสพการรมก็จะกลับมาทําอย่างนั้นใหม่เคยเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็จะกลับมาเข้าสมาธิเข้าฌานใหม่แต่ก็ยังจะต้องเวีนว่าตายเกิดอยู่ใน พบต่างๆเหล่านี้เพราะว่าการนาเพลินเหล่านี้ไม่ได้ไปกำจัดเหตุที่พาให้มาเกิดกันเหตุที่พามาให้เกิดก็คือความอยากต่างๆอยากเสพกามอยากเสพรูก ป, ประชานอยากเสพรู ป, ประชานอันนี้ต้องเห็นว่าความอยากเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะให้ความสุขกามมาสุขก็ให้ความสุขแต่เป็นความสุขที่มันมีความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง เรูปเสียงกลิ่นรถเนี่ยเวลาเราได้รูปเสียงกลิ่นรถที่เรารักเราชอบมาเสบเราก็มีความรู้สึกสุขใจสบายใจแต่พอรูปเสียงกลิ่นรถที่เราได้มาเปลี่ยนไปนของของใหม่กลายเป็นของเก่าขึ้นมาก็เกิดความอารมณ์ก็เปลี่ยนไปได้ความนักความชอบที่เคยมีอยู่ความสุขที่เคยมีเคยได้จากสิ่งที่เคยที่เปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนไปหายไป จากเคยรักเคยชอบก็กลายเป็นความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็ได้จึงมักจะต้องไปคอยหาของใหม่ๆมามาเสพอยู่เรื่อยๆได้ของใหม่มาใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ชิ น, ชนตาชินหูชินใจมันก็เบื่อขึ้นมาไม่ไม่มีรสชาติเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆเพราะธรรมชาติของมันมันทีนมันก็เปลี่ยนไปมันก็เก่าลงไปมันก็ไม่ดูแล้วมันไม่มีความรู้สึกเอ ดึงดูดจิตใจเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆเพราะมันธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันของใหม่ก็จะค่อ ย, อยๆกลายเป็นของเก่าไปจตอนนี้สุดก็กลายเป็นของเสียไปได้พอกลายเป็นของเสียที่เคยให้ความสุขมาก็กลายเป็นการให้ความทุกข์มาแทนอันี้ก็ถ้าเสพการมันก็จะต้องเจออย่างนี้ไปเรื่อยๆจ ะ, จ ะ, จ, ะจะต้องกลับมาเสพอยู่เรื่อยๆจะต้องกลับมาเกิดมาเสพอยู่เรื่อย เสื่อรู ป, ปรานก็แบบเดียวกันเวลาได้รู ป, ประชานก็สุขเวลาเสื่อมจากฌานก็ความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็ต่างก็เข้ามาแทนที่ได้เช่นเดียวกับรู ป, ประชานถ้าไม่อยากที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตาเกิดแบบนี้ก็ต้องเห็นว่าความอยากในการมกามกา<ๆ>ในกามก็ดีความอยากในรู ป, ประชานก็ดีในรู ป, ปรชานก็ดีล้วนเป็น ตาลักนั้นเป็นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะการก็ดีรูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดีเป็นตายลักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีเป็นสมบัติของใครไม่สามารถทําให้มันเที่ยงไม่สามารถทําให้มันให้ความสุขแบบยั่งยืนได้มันให้ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปพอเสื่อมหมดไปความอยาก มันไม่ได้เสื่อมไปกับสิ่งที่หมดไปความอยากยังอยากได้อยู่ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมานต้องเห็นนาริยสั์ข้อที่สองว่าเหตุที่ทําให้ใจทุกข์เหตุที่พาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ก็คือความอยากทั้งสามนี้กามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาต้องละ ปัญหาเหล่านี้ได้ละา ก, การเสพการละ ก, การเสพรูปประชานละ ก, การเสพวาลู ป, ประชานได้ถึงจะสามารถทําให้ความทุกข์ที่มีในใจหายหมดสิ้นไปได้ทําให้อริยสัจข้อที่สามปรากฏขึ้นมาก็คือนิโรดนิโรดก็คือความความสิ้นทุกข์หรือความหมดทุกข์หรือทุกข์ที่มีอยู่นั้นหายไปเรียกว่านิโรด mm. นิโรดเกิดจากการละความอยากต่างๆ ละรูปเสียงกลิ่นรสละการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสละภาวะตัญหาความอยากในรูปประชานละวิภาวะตัญหาความอยากในรูปประชานทาราได้ด้วยการเห็นมีปัญญาเห็นไตรว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าการการก็เป็นการมคุณห้าก็เป็นไตรลักษณ์รูปประชานก็เป็นไตรลักษณ์รูปประชานก็เป็นไตรลักษณ์ใครเสพใครสัมผัสก็เลิกเสียเหมนคนที่ เดื่มโซดาแล้วรู้ว่าการดื่มสุลานี้ทําให้เกิดโครคภัยแค่เจ็บแก่น่างกายทําให้ร่างกายไม่สบายตายได้หรือเวลาติดสุดาแล้วเวลาอยากจะดื่มสุดาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นโทษของของของความอยากดื่มสุดาเห็นโทษของเห็นความจริงของสุราว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังน่าต่างมันไม่ใช่เป็นสุขขังมันเป็นทุกขังมันเป็นความสุขชัว่วประเดียประดาว ชั่ขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอเสพสัมผัสหมดไปความสุขนั้นก็หมดไปความอยากจะเสพใหม่ก็โผล่ขึ้นมาพอาอยากเสพใหม่ถ้าไม่ได้เสพทีนี้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีต้องให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษต่อจิตใจก็จึงจะเลิกดื่มสลาได้เลิกเสพยาเสพติดได้เลิกเสพสิ่งเสพติดต่างๆได้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ ทุกพา่าไม่เที่ยงทุกว่าเราไม่สามารถทำให้มันเที่ยงให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาคือเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตายรักในการุคุณห้าก็ล ก, การมาตัณหาได้เห็นตายรักในรูปประชานก็จะละการอยากเสบรูปประชานได้เห็นตายรักในอรูปปัจานก็จะละความอยากจะเสบรูปปัจานได้ พอแล้วความอยากทั้งสมนี้ได้แล้วทุกที่เคยเกิดขึ้นก็จะหายไปหมดเรียกว่านิโรธทุกที่เคยมีอยู่หายไปเรียกว่านิโรธเป็นอริยรสัจข้อที่สและการที่จะทำให้นิโรธนี้เกิดขึ้นมาได้การที่จะทำให้ออริยรสัจข้อที่สองคือสมุทยัย ล, ละสมุทัยข้อที่สองละความอยากต่างๆได้ก็ต้องอาศัย อรยิยสัจข้อที่สก็คือมรรคมรรคนี้ก็คือเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการละความอยากต่างๆตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือเราเราเพียงแต่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์กันพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่เรายังไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องสร้างกําลังให้กับใจขึ้นมา เครื่องมือที่พระเจ้าส่งคนพบว่าจะให้กำลังกับใจที่จะสามารถสู้กับความยากต่างๆได้สามารถลัาความยากต่างๆได้นั้นก็คือมรรคมรรนี้ก็ทรงแสดงไว้ในหลายรูปแบบมรรที่เป็นองแปดก็ก็มีมรรที่เป็นองสามก็คือศีลสมาธิปัญญาก็มีมรรที่เป็นองสามที่มีทานศีลภาวนาก็มี อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเวลาหมอให้ยาคนไข้หมอก็ต้องดูคนไข้เป็นคนคนชักขนาดไหนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่คนแข็งแรงหรือคนแก่หรือเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กก็ต้องให้ยายายาดื่มยายาหวานให้ดื่มยาผสมน้ำตาลให้ดื่มเข้าไปหถึงจะดื่มได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เป็นยาเม็ดให้กืนเข้าไปได้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่ ก่านนี้ที่มีความเข้มแข็งก็ให้อาจจะให้ผ่าตัดเลยก็ได้ดะงนั้นยาทางศาสนาก็คือมรคนี้ที่จะมาใชใา้ในการลากความอยากต่างๆก็มีในหลายรูปแบบแต่ก็เป็นมร์เหมือนกันทานศีลภาวนาก็เป็นมร์ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมร์มร์แปคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นมร์เหมือนกันเช่นมร์แปดนี้ มีแบ่งไว้เป็นสกลุ่มด้วยกันกลุ่มของปัญญาก็มีสองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบแล้วก็ความคิดชอบความดับเลชอบแล้วความคิดที่ถูกต้องอันนี้เป็นองค์ประกอบของปัญญาการที่จะมีปัญญาต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกประสัมมาทิฏฐิก็คือรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากและการจะทําให้ทุกหายไปก็ต้องละความอยากให้ได้ ออันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็รู้ว่าทุก์เกิดจากการกระทําบาปถ้าไม่อยากจะให้ใจทุกจากการกระทําบาป ก, ก็ต้องละการกระทําบาปเมื่อมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องความคิดเห็นที่ถูกต้องก็จะตามมาต่อไปนี้เราจะไม่ทําบาปนะเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ต่อไปนี้เราจะลดความอยากตัดความอยากให้หมดไปจากใจ เลวลามีความอยากแล้วทำให้ใจเรากระวนกวายกะสับกะสายกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือถึงขั้นกับซึมเศร้าหรือเครียดขึ้นมาก็ได้ตามตามความอยากชนิดต่างๆถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์เหลนี้ก็ต้องอลดความอยากชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์รักษาสีนคือไม่ไ ม, ไม่ไม่กระทาบาปพอนี่คือองค์ประกอบของปัญญา พอรู้แล้วว่าต้องทําอะไรขั้นต่อไปก็นําำอาไปปฏิบัติขั้นขั้นศีลศีลก็คือมีองค์ประกอบอยู่สามองค์ด้วยกันในมรรคแปดก็คือสามมารกรรมโตการกระทาที่ถูกต้องสามมาวาจาการพูดที่ถูกต้องแล้วก็สามมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องก็ต้องมาปฏิบัติมรรคข้อข้อที่สองสามข้อที่สามสี่ห้า คือเป็นองค์ประกอบของศีนั่นเองสามากัมมันโตก็คือการไม่คาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่ดร้อนยาเมาแล้วก็สามาวาจาคือการการพูดที่ถูกต้องก็คือพูดความจริงไม่พูดไม่พูดไม่พูดโกหกไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดเท็จแล้วอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะอาชีพที่ทำผิด ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นสัมม า, าชีโวอันนี้ก็อยู่ในองค์ประกอบของของศีลศีลก็มีสามข้อในในมรรคแปดสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาชีโวอาชีพ ท, ที่ถูกต้องใามาขั้นของสมาธิก็มีอยู่สามองค์ประกอบด้วยกันสัมมาวายาโมวาความเพียรชอบ สมาสติการเลิกรู้ชอบสมาสมาธิการตั้งมั่นอยู่ในความสงบที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิมีศีลแล้วก็มาปฏิบัติสมาธิมาเจริญเอาความเพียรมาเจริญอะไรเจริญสตินี่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ให้มีความเพียรอยู่ ก, การเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปุุงแต่งไม่ให้คิดฟุุงสร้าง เพื่อเวลาที่มานั่งสมาธิใจจะได้นิ่งได้สงบรวมเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้<ม>อันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนประกอบของสมาธิมีสามข้อสัมมาวายามอวายามโอความเพียรชอบสัมมาสติการละเลิกรู้ชอบ ส, ามมาสมาสมาธิการตั้งมั่น<ม>อยู่ในความสงบชอบร<ม>วมกันก็เป็นศีลสมาธิปัญญา<ม>ปัญญาก็คือสมาธิติสัมมาสามมาังคโปร บางทีมันยาวเพราะพระก็ทรงแสดงแบบยอ่อก็เลยทรงแสดงว่าให้ให้เจริญศีลสมาธิปัญญาความหมายก็เป็นแบบเดียวกันก็คือให้เจริญมักแปดอยู่ดีนั่นเองส่วนเวลาที่สอนกับพวกที่เป็นนักพวกพวกนี้จะสอนศีล ส, สมาธิปัญญานี่จะสอนกับพวกที่เป็นนักบวชเพราะนักบวชเขาไม่มีเงินมีทองเขาไม่ใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ผิด ก็เลไม่ต้องสอนให้เขาใช้เงินใช้ทองในทางที่ถูกได้แต่พอมาสอนคารวะญาติโยมที่ยังมียังใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็สอนให้รู้จักใช้เงินใช้ทองในวิธีที่ถูกหาความสุขด้วยเงินทองวิธีที่สุขวิธีที่ถูกของการหาเงินทองก็คือให้ทําบุญทําทานนั่นเองก็เลยเพิ่มข้อทานในมรรคขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือให้ทําบุญทําทาน ถ้าเวลามีเงินมีทองแล้วอยากจะหาความสุขอยาจอยากจะซื้อเงินอยากจะใช้เงินทองไปซื้อความสุขอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผเถ้าความสุขแบบรูปเสียงกลิ่นรสผงถ้านี้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดแล้วมันจะไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพอมันจะหิวอยู่เรื่อยๆเพราะเกิดความหิวขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดตามมาทันทีอย่าเอาเงินไปใช้เสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ให้เอาเงินมาใช้ในการทำบุญทาทานเอามาช่วยเหลือสองคอผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหดือนร้อนหรือเอาไปใช้ในสนับสนุนองค์กรการกุศลที่สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับให้กับผู้คนต่างๆใช้ใช้เงินให้ถูกวิธีซื้อความสุขให้ถูกวิธี อเอาเงินมาซื้อความสุขด้วยการทํามุญทําทานอย่าเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรเป็นต้นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราอะไรหลังสิง ต, ตา่างๆอันนี้แม่จะเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะเสื่อมหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วมันจะทําให้เกิดความหิวความอยากที่จะซื้ออีกพ อ, เ, อเงินเทองไม่พอใช้ทีนี้ก็ซื้อไม่ได้พอซื้อไม่ได้ก็เครียดก็ทุกข์ขึ้นมา แต่งินที่เอาไปทําบุญทําทานนี้จะไม่ทําให้ใจหิวจะทําให้ใจอิ่มใจสุขใจสบายเวลาไม่มีเงินทําบุญก็ไม่เดือดร้อน uh huh. เพราะว่าบุญเก่าบุญที่ได้ทำไว้ยังยังสะสมอยู่ในใจยังไม่หายไป uh huh. จะหายไปก็ต่อเมื่อตายจากภพนี้แล้วไปไปใช้ในภพหน้าต่อไปถึงจะค่อยหมดไปเช่นบุญที่เราสะสมไว้ตอนที่เราตายไปนี้เราเอาไปกับเราเอาไปได้หมดเลยยังไม่ได้ใช้ uh huh. ไปใช้ตอนที่เราตายไปเป็นเทวดาบุญบุญบุญที่อยู่ในใจเรานี้จะส่งให้เราไปอยู่เป็นเป็นเทวดากันเป็นเทวดาก็ต้องใช้ใช้บุญเหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องมีงินติดตัวไปถึงจะเที่ยวได้ยันในเวลาตายไปเราไปสวรรค์ก็ไปเหมือนเราไปเที่ยวในโลกทิพย์การจะไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้เราก็ต้องมีบุญติดตัวไปนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสงสอนแล้ว พอสอนให้ทําทานแล้วก็ให้มารักษาศีลเหมือนกันทานศีลภาวนาศีลก็ศีลห้าเหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักแทบไม่ประพฤติผิประเพณีไม่พูดปดไม่ไม่พูดปดไม่ดื่มสลายามเมาก็ได้องค์ประกอบของศีลแลภาวนาก็คือภาวนาก็มีแ บ, บ่งไว้เป็นสองส่วนสองระดับระดับสมาธิและระดับปัญญานั่นเองสมถ้าภาวนาก็ทําใจให้สงบเป็นสมาธิ อันนี้ก็สัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วพอขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนาก็คือการสร้างปัญญาขึ้นมาก็คือการเจริญส ม, มาทิฏิสัมมาสังคัปโปะ ใ, ให้มีความเห็นว่าอริยสัจสีทุกเกิดจากความอยากอยากจะให้ความอยากหายไปอยากให้ความทุกข์หายไปก็ต้องละความอยากอันนี้ก็เป็ น, ปนองค์ประกอบของปัญญา น, นะ ดังนั้นมรรคที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันนี้จะมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันเวลาที่พู้เจ้าทรงแสดงข้างหน้าก็ทรงแสดงแบบละเอียดทรงทรงแสดงมรรคแบดบมีครบดุสินสมาธิปัญญาอยู่ในมรรคแบบนี้แต่เวลาบางเวลา ส, สอนแบบย่อก็ ส, สอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าสอนคารวะผู้ครองเรือนก็เพิ่มการให้ทาบุญทาทานข้นใหม่อัน ล้วนเป็นวิธีที่จะสร้างให้ใจมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะหยุดความอยากได้พอมีมรรคคือมีเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะทําหน้าที่แล้วพอเจอความทุกข์ขึ้นมาปัญญาก็จะพิจารณาเห็นทันทีว่าเกิดจากความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ตัดมันหยุดมันได้ใช่ั้มทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยพอใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจทุกข์เพราะอยากให้ให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหาย แต่มไม่หายเนี่าทำยังไงยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งทุกข์ใหญ่พอเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากก็หยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปเหลือแต่ความทุกข์กายที่ไม่รุนแรงที่สามารถอยู่กับมันได้อย่างสบาย น, นี่คือมรรคแปที่พระเจ้าทรงสอนในอริ ย, รรย 4, สัจสี่ทรงตัดสรุปอริยสัจสี่แล้วนาอริยสัจสีนี้มาสอนพวกเราอีกต่อไป พอพระพุทธเจ้าทรงใช้อริยสัจ ส, สีนี้เป็นเป็นแผนที่ในการกําจัดความทุกข์ต่างๆเวลาแก่พอใจทุกขึ้นมาก็กําจัดความอยากไม่แก่ออกไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ใช้ใช้ใช้ปัญญาสอนใจว่าเราห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องหยุดการความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไป พอหยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปพอจะเจอความตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาก็ต้องก็พิจารณาก็เห็นว่าความความทุกข์เกิดจากความไม่อยากตายแต่ก็ห้ามความตายไม่ได้ความตายเป็นสิ่งที่มันไม่อยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของใครในเวลามันจะตายมันก็ต้องตายแต่เราไม่ต้องทุกข์กับความตายได้เพราะเรามีอริยสัจทีเรามีมรรคที่จะมาละตันหาความอยากไม่ตายได้ พอละรความอยากไม่ตายได้ปล่อยให้ร่างกายตายไปตามเรื่อของมันใจก็จะไม่ทุกข์กับความตาย น, นี่ก็คือการต้องมีมรต้องเจริญมรให้มากเพราะมรจะเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือก็จะไม่สามารถละความอยากได้เมื่อไม่สามารถละความอยากได้ก็จะทำให้นิรวตคือการดับทุกข์หายไปไมาทให้ทุกข์หายไปไม่ได้ทุกข์ก็ยังจะอยู่กับใจไปเรื่อย ถ้าอยากจะให้ทุกข์หายไปจากใจก็ต้องเจริญมากจนมีกำลังที่จะละกามาตัาหาได้ละภาวะตันหาได้ละวิภาวะตันหาได้พละตันหาทั้งสามได้นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาอย่างสมบูรณ์พอพอนิโรธคือความทุกข์หายไปหมดนใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาใจก็เป็นบาลมสุขขึ้นมานิบานังบาลนังสุ ข, ขัง ใจที่เป็นบรลมบสุขนี้จะเป็นใจที่ไม่มีตัณหาความอยากอยู่ในใจอีกต่อไปเมื่อใจไม่มีความอยากใจนี้ก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปไม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่ต้องไปทุกกับการมีขันห้าอีกต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาศึกษามาเรียนรู้กันด้วยการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็นอาออกไปปฏิบัติล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะสามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้ในภพนี้ชาตินี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดได้ก็เราตายไปก่อนเราก็สายบุญบา ร, รมีเหล่านี้ที่เราได้ศึกษานี้มาเป็นเครื่องนำทางเราไปเหมือนเป็น G.P.S นำทางเราไปสู่นิพพานต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนา อย่างน้อยเราก็จะมีเครื่องมือที่จะพอให้เราคำทางไปได้ไม่หลงทางมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะต้องกลายไปไปบําเพ็ญบารมีต่อไปจนกว่าบารมีจะสมบูรณ์ถึงจะได้ตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองก็ได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางเลือกถ้ามันมันไม่สําเร็จภพนิ้ชาตินี้มันก็ต้องไปในทางบารมี เอาเมื่อตายไปแล้วกลับมาพบหน้าถ้าไม่มีศาสนาพูดมาสอนมาบอกก็ต้องอาศัยบา ร, รมีที่ได้ทำไว้เป็นเป็นตัวนำนำพาชีวิตไปก็ต้องเสริมบา ร, รมีแต่บา ร, รมีไปทุกภพทุกชาติอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บำเพ็ญมาในอดีตย้อนกาับบารมีทั้งทั้งสิบนี้มันมีมีกำลังพอที่จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีได้ก็จะได้เป็นพระพุธเจ้าขึ้นมาต่อไป นี่ก็คือเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราภาิกปุรเรนติสากลัง เอวเมวะอโตทินังเปตาณังอุปกปติอิที่ตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปาจันโทปนาราสุยทามณิโชติอราสุยทัสสะพีติยวิวัจฉันโตสัปปโรโควินัสโต มาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภวะอภพิวาธนสีลิสสะนิจจหุทาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สนุกที่สุดหลังจากเลิกแล้วต้องขออภยัยถ้าจยังไม่ได้ตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กับเรียนครับอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง f a Facebook พระอาจารย์สุ ช, ชาติ360ิ ทาง YouTube พระจารย์สุชาติ320ท่านทาง YouTube ดรวี68ท่านวิทยุออนไลน์ uh, 14ท่าน Clubhouse 5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ182ท่านรวมทั้งหมด949ท่านครับอืมวันนี้ไว้ยออกก็หรอ ไม่ทันแล้วซืว้อไม่ทันแล้วลว่ามากรานมมสการพาอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีคำถามมานะคะว่านั่งฟังเทศที่สาราวัดหลังจากสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จมีกลิ่นน้ําอบไทยโชยมาระรอกสั้นๆสองระรอกหมายถึงคนมาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะ ไม่หรอกน้ำหมึกมันจะมาขอส่วนบุญได้ยังไงใครพิจารณาตามความเป็นจริงถ้าเป็นกิ่นก็เป็นกิ่นถ้าเป็นดวงวิญญาณขอส่วนบุญเขาก็ต้องบอกเองว่าข้าพเจ้าเป็นดวงวิญญาณช่วยเหลือข้าพเจ้าหน่อยอันนี้จะเอาอะไรไปเป็นดวงวิญญาณไปหมดเห็นอะไรเป็นผีไปหมดทำไมไม่ใช่หรอกต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นรูปก็ว่าเป็นรูปได้ยินเสียงก็ว่าเป็นเสียงอย่าไปว่าเป็นอย่างอื่น เราไม่รู้จะเป็นอะไรก็ว่ามันเป็นตายรักไปดีที่สุดมันเป็นอนิจจังเป็นนัตตาเรากสั่มันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปแค่นั้นเองเราไม่ต้องทําอะไรให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆก็พอชาวหาจาก u t u b e กราบเรียนถามพระอาจารย์ลูกชายไม่รัก ชอบด่าพ่อแม่ตลอดทั้งที่พ่อแม่ดูแลส่งเรียนจนจบปริญญาดูแลเขาอย่างดีแบบนี้ควรจะทำตัวและทำใจอย่างไรดีเจ้าคะก็ทำใจว่าเราได้ลูกทรลพีมาก็แล้วกันเหมือ น, นเวลาไปซื้อของบางทีก็ซื้อของเสียมาซื้อรถยนต์เนี่ยเราก็ได้รถเสียมาไปคืนเขาเขาก็ไม่ยอมคืนให้ก็เลยต้องไปทุบต่อหน้าเขาเรียกช่างภาพมาถ่ายรูป ก็ลองเรียกช่งางภาพมาถ่ายรูปหน้าตาลูกเราดูอันนี้ลูกมันลูกทอรพ์พีมันเป็นอย่างนี้เออถือว่าเป็นเป็นกรรมของเราก็แล้วกันชาติก่อนแนละ้วอาจจะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนชาตินี้เราเราก็ต้องมารับผลกรรมที่เราทาเอาไว้ทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากทางยูทูบคำว่าสัพเพธรมาอนัตตา หมายถึงธรรมะเป็นสิ่งไม่อาจบังคับบัญชาได้หรือเปล่าเจ้าคะหรืออย่างไรเจ้าคะขอกราบเมตตาพระอาจารย์อธิบายเจ้าค่ะธรรมะนี่ข้อหมายของธรรมะในนี้ที่นี่ก็หมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้ด้วยตาหูจมูกนิ้นกายใจล <c oughs> ้วนเป็นของไม่มีตัวตนทั้งนั้น <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็ไม่มีตัวตน สิ่งที่เราได้ยินด้วยหูก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่เราสั ม, สมผัสรับรู้ด้วยใจก็ไม่มีตัวตนสรุปก็คือไม่มีตัวตนตัวตนนี่เป็นของที่เราคิดขึ้นมาเองคืออวิชชาโมหะกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนนิยายกิเลสตัณหามันชอบสร้างเรื่องสร้างสร้างเรื่องที่ไม่ใช่เป็นความจริงมาหลอกจิตให้จิตไปหลงกับมันนั่นเองแล้วก็ไปทุกข์กับมัน ถ้ามีปัญญาก็จะมองทะลุเห็นว่าไม่มีตัวตนตัวตนเป็นสมมุติเอาสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี่ก็สมมุติแล้วไม่ใช่ความจริงเหมือนกับสมัยก่อนโบราณเขาคิดว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงโลกมันกลมร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความจริงแต่เราไปหลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเพราะเราอยู่กับมันมาตั้งแต่วันเกิดพอออมาจากท้องแม่ก็มีร่างกายนี้มากับเรา หรือเรามากับร่างกายนี้แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ทําอะไรไปเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายเราไม่มีตัวตนเราก็เลยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทําหน้าที่แทนเราเป็นหัวโขนเราเป็นตัวนักแสดงแต่เราไม่มีหน้าตาทศกันไม่มีหน้าตาฮนุมานเราก็เลยต้องไปหาร่างกายมาเป็นตัวแทนของเรามาเป็นมาเป็นหัวโขนแต่ทั้งหมดนั่นก็คือธรรมะในที่นี้มามาเข า, เาทุกสิ่งทุกอย่างที่ ที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจนี่เป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีตัวตนอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวตนแล้วจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราพอเราไปยึดติดอะไรเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้เป็นของเราไปเรื่อยๆพอมันไม่เป็นขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมาเจ้าค่ะมีโยมสอบถามเข้ามาว่า ถ้าเราจะไปถือศีลบนเขาชิโอนเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหรือสามารถสอบถามได้ทางไหนคะเออก็ลองถามทางทางไหนลนะ่ะใครตอบได้ช่วยตอบให้หน่อยนะค่ะาจากยูทูเจ้าค่ะการบรรลุโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรครับกับขอพระคุณครับก็ต้องสละชีวิตได้ไนะ ทนุเจ้าบอกว่าให้สละทัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสล ะ, ะชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าอยากจะได้สุราบันก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่ค่ะเขาถามเข้ามาต่อว่าการบรรลุพระโสดาบันจำเป็นต้องให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนไหมครับถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิมันไม่มีกําลังมันมีความรู้แต่ไม่มีกําลังเหมือนคนที่มี ความรู้แต่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินข้าวจะเาคนที่มีความรู้ไปทํางานมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงยันต้องให้เขาพักผ่อนหลับนอนให้กินข้าวให้อิ่มน้ําสํารานใจก่อนแล้วร่างกายพอมีกําลังก็สามารถเอาความรู้นี้ไปใช้ในการทําอะไรต่างๆได้เจ้าค่ะคุณนิรุธถามเข้ามาว่า การเจริญธรรมทางปัญญาจำเป็นต้องพิจารณาหลังจากนั่งสมาธิแล้วทุกครั้งหรือไม่และต้องหลับตาเหมือนนั่งตอนนั่งสมาธิหรือไม่ครับคือก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้นควรจะฝึกสมาธิให้เข้มแข็งก่อนให้สามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเรายัางนุมลุกคุกคานอยู่การเข้าสมาธิอยู่นี่อย่าเพิ่งไปทางปัญญา เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสติต่อไปก่อนให้มีพุโทโธพุธโทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดจนเราสามารถมีสติคุมความคิดได้ตลอดเวลาและเวลานั่งก็สามารถทําจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ้าเราชํานาญแบบนี้แล้วเราจะไปทางปัญญาก็ไปตอนที่เราเออกจากสมาธิมาตอนที่อยู่ในสมาธิเราไม่เจริญปัญญาเราต้องการพักผ่อนจิตใจ ให้จิตนิง่งให้สงบไม่ไม่ไม่ให้ทํางานการเจริญปัญญานี่เป็นการทํางานต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนพอจากสมาธิมาแล้วก็ให้มาพิจารณาของรอบตัวเราก่อนของที่เรารักเราชอบของที่เรายังรักยังห่วงอยู่เช่นราบยศสารเสริญสุขพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปยึดไปติดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่ า, ปยายไปยึดไปติดถ้าปล่อยวางราบยศสารเสญสุขได้แล้วค่อยมาพิจารณาร่างกาย ปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็มาพิจารณาเวทนาปายวางเวทนาได้แล้วก็มาพิจารณาจิตอีกทีหนึง น, mm hmm. นี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติทางปัญญา mm hmm. แต่ก่อนจะไปทางปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ชนานาญที่เข้มแข็ง mm hmm. ที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ายังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้เวลาไปใช้ปัญญาให้หยุดความอยากก็จะหยุดไม่ได้เจ้าหา จากยูทูบหลังๆมานึกถึงความตายก่อนจะตายรู้สึกกลัวเจ้าค่ะเราควรนึกแบบไหนไหม่ให้กลัวคะถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่มีกําลังไม่มีสมาธิพอไม่สามารถหยุดความกลัวได้ดังนั้นก่อนที่จะคิดคิดถึงความตายให้ทําสมาธิให้จิตให้สงบก่อนถ้าจิตสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจิตจะมีกําลังหยุดความกลัวได้คิดถึงความตัวคิดถึงความตายแล้วจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อน ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีคำถามก็ท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้มีคำถามป่ะ you got question anybody เดี๋ย c o ง e j u s ไ one way only thank you ท่านอาจา a ย์ so um, thank thanks for your teaching and uh, we don't have enough words to express our gratitude uh, one question t ่านอาจารย we have adult children in mid twenties What's a skillful way of uh, getting them into practice uh, uh, sooner rather than later? You mean you want your children to to practice dharma? Yes, yes, practice. Yeah, yeah. they Except are adult children. Yeah, it's not something you can can force them to do, yeah. because some people like to practice and some people don't like to practice. All you can do i s just set a good example for them, and if they want to follow, that's fine. If they don't want to follow, you cannot do anything. If you try to force them, they might get angry at you. <laughs> so you have to find the right balance and pull them enough until they don't want to, you to pull them. Then you have to stop. If you can still sway them, you can still convince them to do some practice. Do it. But once they cannot, once you cannot do that anymore, then you just have to give up, accept the fact. And you can only do so much. Yeah. What's more important is to push yourself. Yeah, true. <laughs> Don't worry about other people. Yeah, true. worry about yourself. First. Okay. Thank you. Sometimes we forget about ourselves. We care for other people so much, we forget to care for ourselves. Three, when come time, come I? No, not yet.